ก็อบยาวเดมีลมพอทีลงพอกำเข็นแล้วก็นมัสการแล้ะก็ขอการพูนสาธมิกทุกครูครับแล้วก็เชิญนายดําคุณแม่ชีเชิญผลยากดูมยาดีดําทุกคนครับก็ก็รู้สึกว่านามสบายและก็คิดว่ายกมุ่งสานยันวัดก็ได้เพราะว่าอาจาย์ภาษาไทยคงพม ยงยังไม่ชัดเจนจริงๆขอบภัยพออยู่ประมาณ4ีพีครึ่งในประเทศไทยในวัดป่าสุกุตภาษาไทยคงผมยังไม่ยังไม่ยังไม่ชัดเจนมากจริงๆไปไหนมาไหนได้แต่ว่าสำหรับสุนทาดํายังไม่เรียบร้อย พราะว่าวัดพาสุกโตเป็นเป็นวัดพาพระอยู่ในวัดนี้ปกติรวมกันในชั่วโมงธรรมธรรมเสร็จแล้วธรรมเจ้าเสร็จแล้วไปพินเดปัและวกในศาลารวมกันแล้วก็คุยกันชั่วโเจ้าเสร็จแล้วกลับคุดไม่มีไม่มีใครคุยอยู่อยู่ในคุดในพาและวกปฏิบัติธรมแล้วกมีกิจกรรมต่างๆ ผมยังไม่ได้ฝึกพูดแต่ว่าฟังได้เขียนอ่านได้ภาษาไทยจริงๆประเทศศรีลังกาโกวัฒนธรรมมวนกันศาสนามวนกันเป็นบุทธศาสนาประมาณ70คดเอร์เซ็นตลักรมีศาสนาคริสศาสนาอิสลามด้วย ในแบบพระเพณีปพัฒนศชีลังกากูมีสังขทานแบบนี้มีสวดิบุญนายบ้านแบบนี้มีวัดยมเข้ามาวัดทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะประมาณ80ดสเกม้วนกันกุมป็นศาสนาเทรวาตแล้วกูพมคิดว่ามันกูม้วนกันผมมองเห็นว่าหลายปีที่ผ่านมา ในวัดปัสกุโตคนคนเข้ามาวัดน่าจะประมาณ80เปซ็นเป็นผู้หญิงผู้หญิงอายุแกแล้วก็ผู้ใหญ่น้อยมันก็เหมือนกันปฏิสิลังกาก็เหมือนกันผู้หยิงเข้ามาวัดเยอะแล้วก็ปกติคนในเมืองโชอบปฏิบัติธรรมคนในหมู่บ้านโชอบทําบุญแล้วก็สังกัานก็คนคนที่เรียนมาก ลก็บ้านวัยรุ่นด้วยสนใจพัฒนิพัฒนาแบบลายังจริงๆผมรู้สึกว่ามันมวไปไปไปเที่ยวในพระเตตัยพัตเตตัยก็มีสะ i นตีโบราณอยุธยาสุโขทัยแบบนั้นในสิงคโปรมีสะตันตีโบราณอนุรตพุระพลารุวสริปาก กูมงเห็นว่าหลายหลายยานเชื้ีและกูตนโบมีหลายที่มวลกันมันน่าสนใจทําอย่างไรอย่างไรมวลกันสมัยโบราณแบบนี้จริงๆจริงๆแล้วรู้สึ ก, กว่าถ้าโทรไปความคิดงคงคนรีร่างกาก็ได้คนตายก็ได้ชิดใจมวลกันความคิดมวลกัน บานอารมณวลกันอาจจะบานครั้งโอเคแะมีพันเรมีปันหาในครอบครัวมวนกันปันหากับสามีปัญหากับพัรียพัญหากับลูกก็มีอามคืนมีบานครั้งไม่ไว้บานครั้งนาบัวก็มวนกันวรุ่นกติดติเกมติดออนไลน์ติดเทคโนโลยี ลากบ้านวัยรุน่นติดสุราติดสูบุรี่ติดไปดิสโกเทกไปเที่ยวกุมวันกันก็ผมรู้สึกว่าเราเป็นมนุษย์แล้วกแทกต่างกันไม่ได้ผมเป็นคนไทยผมเป็นคนสิงคโปร์คนเป็นคนอเมริกาสหารัฐคนแทกตางกันไม่ได้เพราะจิตใจมือนกันอารมณ์มือนกันจินตนาการมือนกัน อาจจะราวกไม่ล ja ืมนอีกอีกกีพีราวจะไทยแล้วก็อัจจักร์นัยพัติทิ้งดิยาอัจจักร์นัยพัติทิ้งสงไีาแอฟริกาไม่ลืมนอีกกีพีกระตุ้ะไอีกีวันกระในตอืนอีกอีกอีกกระอีกีวันราวกไมลืราวเปิสัต อาจจะเาเป็นพระธิดา จ, จะเป็นเดวตาด้วยเราก็ไม่รู้มันคืออตไรมันมันมันควโคุไม่ได้ควบคุมไม่ได้กจริงๆแล้วเราคุณคุณคิดว่าอะไรครับอีกประมาณหานาทีอีกประมาณสิบนาที อารมณ์คิดอะไรคิดจามะอะไรในจิตใจรู้จักไหมครับเราเลือกได้ไหมอีกประมาณหานาทีอีกประมาณสิบนาทีอารมณ์จะคืนในชิตใจรู้จักไหมเราเชนไหมเรานิ ệ มนุ์ไหมอารมณ์ มาแบบนี้อีกมาอีกอีกสินาทีอามแบบนี้นิมนต์มาจิตใจพมจิตนาการจิตแบบนี้นิมนต์มาอีกสิบนาทีมันทําได้ไหมทาไม่ได้เนาะถ้าว่าอลรมมาเนมีจิตมาเนเราเลือกไม่ได้ทนอยู่แบบนี้หลายพีเนาะ ไม่ใช่หนึ่งวันหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงไม่ใช่หนึ่งวันหนึ่งเดือนไลฟ์ตอนอยู่แบบนี้เราเลือกไม่ได้จริงๆมันเป็นความดุกจริงๆเนาะเราเราเลือกไม่ได้แต่ว่าตอนอยู่แบบนี้อีกหลายปีอีกหลายจากอีกหลายชีวิตกู ยู่กับความดุกแบบนี้คนที่ใครรู้สึกความดุกชีวิตนี้ชีวิตนี้ชีวิตนี้ไม่มีความหมยชีวิตนี้ไม่มีความเขมูลชีวิตเพื่ออะไรเกิดมาทำไมอาจจะทุกๆคนเรามีผันหาแบบนี้ในจิตใจเราสมัยผมเด็กๆ สมัยผมเป็นนักศึกษาผมก็มีคิดแบบนี้ชีวิตเปล่ะไรเกดมาทํมไมไม่มีอะไรความหมยในชีวิตแล้วก็ไปหาความหม่แบบไปแบบตัวโลกซูบุรีดูมสุลาไปกับผู้หญิงแฟนเยอะกิ๊กยไปดิสโก้เต็กไปเที่ยวก็เห็นแล้วน หลายหลายครั้งเห็นแล้วความสุขเหมือนชั่วรข่ามากไม่มีอะไรค้ังในดูมสุราแล้ววันหลังปวดหวัวปวดท้องไม่มีอะไรคากุผม์เป็นนักศึกษาโกมองเห็นแบบนี้แต่ว่าโชบดีแบบคนเอเชียถ้าชีวิตบัวเราไม่เคยอาจจะมีคิดแบบคาตัวไทย แต่ว่าสมัยเด็กๆตันแธ่เด็กๆแบบคนเอเชียเราโกมงเห็นอยู่พระบุตรรู้นังยู่นิงๆรับตานังสมาดิอยู่มีความสุขในน้าก็สมัยนั้นผมก็เห็นว่าถึงแม้ว่าในโลกเดินทางไปโลกในโลกนี้คนที่อยู่ในโลกนี้อาจจะไม่มีความสุข อาจจะมีความสุขชัวคราวถต่ว่าอาจจะไม่ทนไม่้นบัวมากไม่ทนบัวจีวิตไม่้นคาทัวตายมีเส้นทางไผของพระพุทธเจ้ากูมุงเห็นว่าอาจจะมีความหม่ในการปฏิบัติธรรมกสมัยนั้นกูเป็นโยมโกผมก็ไปหลายที่สำหรับสถานที่ปฏิบัติธรรม ไปไล่ที่สัตวที่ปฏิบัติธระก็ปฏิบัติแบบไล่ยังอาณาพาณาสตย์ก็ยงกาจีมหาสิไซโดยุทนงพนงแบบล่ยังโกมงเห็นว่าบ้านขังสมริดบ้านขังไม่สมริดก็หลังจากนั้นโกมงเห็นว่าเมื่อนังอยู่ลับตาอยู่สมาดิกุสมร ไม่ใช่ไม่สมัเรทจิ์ถ้าไปยามมากมากสมา ด, ดิสำเร็จิ์เทวามทําทนานอัปนามล า, ลางหน้ า, าสักปากและวก็คดให้ความสะอาดในบ้านก็จิตใจไม่สงบกบุญไวยก็ไม่มีอะไร อ, อีกครั้งคืนมาไม่มีอะไรความใหม่ในชีวิต แต่ว่าในนังสมาธิอาจจะมีความสุขนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ชั่วคราวกูมงเห็นว่าโอ้ไปแบบนี้ไม่ได้ตนบวชตนตาอกอยากตำนานไปหาสังฆในวัดแต่ว่าในกูวัดในวัดกูไม่มีสงบมากกูปฏิบัติตํรมท้ไปปฏิบัติธรได้ปฏิบัติตํรมทไปแล้วกูมงเห็นว่า ตนไฟหปฏิบัติธรรแบบตั้ไฟเรื่อย24ีช่วโมงเพราะว่าทําไห้ทําแบบนั้นปฏิบัติธรรมไม่สําเร็จารจ์นั त. ้นสมาธิปฏิบัติธสําเร็จมันมัวนกันในนั้นนังหลับตาละก็ธมสมาธิจิตใจพัฒนาประมาณในบันไดยี่สบชันยกตัวอย่างแต่ว่ามัวทำนานประจําวัน แล้วก็ลงอีก10ก้าวันน้ำพัฒนาชาชามากครูสุขว่าทนไม่อะไรเป็นที่ประทับแบบยีชั่วโมงสมัยนั้นผมเจอพราฟารังอัญชันทน์ดินวันโุตโอนี้อยู่ในประเทศศรีลังกาเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อคำเขียนอยู่ในวัดพาสุกโตประมาณวัดสนามในประมาณแปดปีเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชา บ้รนาประมาณยี่สิบกทั้งก็แรกทั้ปฏิบัติธรรมแบบอานาปานสติและวกเปลี่ยนปฏิบัติธรรมในสายลมพเดียนก็ท่านแนะนำสายลมพเดียนถึงผมนับเพราะว่าปฏิบัติสิลังกาไม่มีสายลมพเดียันทีแรกผมก็สงสัยมากเอนี่ม่ไม่ไมันเครื่องไว้แบบนี้มาอยู่ในไายพิทกษ์เลยก็มีมีสงสัยมากแต่ว่าผมไม่จบ กับอยู่กับสน้นไทรผมทำไปเรื่อยๆไป ร, ระมาณหกเดือนก็มองเห็นว่าประสบการณ์คืนมาอืมกูชิดใจอ ย, ยู่กับค ร, รัวง่ายได้มันง่ายกว่านันสมาดิมันง่ายกว่าปฏิบัติทรรแบบอีกอีกแล้วก็ทำไปเไรื่อยๆแบบนี้กูประมาณอีกสองปีประสบการณ์คืนมาเสนไทยความส้นไทรหายไปแล้วแล้วก็มีคำทำเยอยากอาจารย์ตน ล่ะกอาจารย์ทุนบอกว่าไม่ต้อปฏิบัติคนเดียวในส r i l ังกาไปประเทศไต้เจอลุงพ่อคำเคียนในวัดปาสุกโตละโกมาที่นี่ประมาณสีปีกันแล้วก็โชคดีมองเห็นว่าโอ้โหมีหลายคนทําำไซลุงพ่อทียนี่ปฏิบัติทาแบบไซลุงพ่อทียนก็พุ่มก็ทาไปเรื่อยๆกับอาจารย์โนทอาจารย์สมสิงโคสิวันโคสวันแบบนั้นก็ ก็รู้สึกว่าทุกวันทุกวันอาจะมันชาชาแต่ว่ามองเห็นว่าความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวชัดเจนทีละเล็กทีละน้อยปีล ะ, ะ, ะก็รู้สึกว่าความดุกใน จ, จิตใจน้อยลงแล้วมากกว่าประมาณสามปีที่แล้วก็น้อยลงน้อยลงไปก็นิดหน่อยทีละเล็กทีละน้อย ความรู้สึกตัวก็แข็งแรงขึ้นไปทีละเล็กทีละน้อยก็ทำไมแบบนี้ก็รู้สึกว่ามองเห็นว่าแบบเพราะว่าการเครื่องไว้อยู่ทั้ง24สี่ชั่วโมงเนะาะาในในชั่วโมงของเร า, าเราอาจจะประมาณนั่งอยู่ประมาณสองชั่วโมง จิตประจำมันลัคนอนอยู่ประมาณนี้หกชั่วโมงแชโมงถ้ว่าเดินอยู่อาจจะประมาณเจ็ดชั่วโมงสี่ห้าชั่วโมงถ้าว่ารังไขเครื่องไว้อยู่ตลอดเวาอมัวทนานในโรงครัวทำนานในที่ทำนานโกเครื่องไว้ตลอดเวลาอยู่ในรังไขเนอะอาจจะไม่ใช่โดยมัว อาจจะค่าอาจจะมุอ่อาจจะท่าอาจจะพกักมีในร้านขายมีหลายที่เครื่องไว้อยู่ก็ทาพาผัวเราฝึกจิตใจของเราอยู่กับเครื่องไว้ในร้างขายกบผัวเรามีโอกาสใครเวลาย้ายใครเวลาเยอะจิตใจอยู่กับเครื่องไว้มันมันอัตโนมัติไป เลโกความอารมณ์ความคิดเดรีเวลากองความคิดรดรเวลากอมอารมณ์เเวลากองติดอลรมมันสั่นไปสั่นไปสั่นไปก็รู้สึกว่าความรู้สึกว่าวุนวายในจิตกมันสั่นไปสั่นไปสันไปเพราะจิตใจไปถึงร่างกายบ่อยๆกความดุกก็ความดุกกะจัก วนไปก็ซันไปสันไป้นยไป้นยไปโนยหลงไปจริงๆนี้เป็นประสบการณ์พู้ชายูดยยังไม่ชัดเจนสำหรับพูดทันหมดแต่ว่าผมรู้สึกว่าพวกเราแต่ละคนภายเส้นทางถึงนิบบานอาจจะไม่เหมือนกันจริงๆผมผมผม ผมคิดว่าเวลานีสัมรับโอกาตนีดีสําหรับผูดอะไรแบบในไตรปิทกเส้นทางของเราแบบไหนเราเลือกไม่ได้เราต้อเราต้หาเองในในพระไตรปิทกมีสูตรปิทกสูตรปิทกมีพระสุตรขานาขานาขุดกนิกายมีพระสุตคือยุคกันัตถสุตร คือยุกนัดจริงๆยุกนัดพระสุตยุกนัดไม่ใช่คำศัพท์ของพระบุตรเจ้าเป็นพระมหาอานุนธบกเทตพระสุตณีพระมหาอานุนธบุกข้าพระทีพระทีมาโคคำตะนจากพระบุตรเจ้าโอเคกนวันชาพระมา รักรรมมาตังจากพระบุตรเจ้าแล้วกูปฏิบัติธรรมนสามดวงนัยวันสาอจันนพีสงพีปฏิบัติธรรมแล้วสมริตแล้วกูเป็นพระรหันแล้วกลับมาพระบุทรเจ้ากลับมาถึงพระบุตรเจ้าแล้กูสมรับแสดงความคติหนุ่แล้วกูพระบุตรเจ้ากูท่าอ่สิ่ทางแบบนปฏิบัติธแบบนแล้วก พระรหันกลาอยูกบอกเขาปมไปเส้นตางแบบนี้ผมไปเส้นตางแบบนี้แล้วก็พระพระอนุพันธุ์อุปัตตนพระบุตรเจ้าฟังอยู่ก็มองเห็นว่าคนที่ไปถึงพระรหันกุมีสียังพระรหันส้นทางกุมิสียังก็ก็ในภาษาพาลีแบบนี้่ย่างที่นั้นเป็น สมุทตพุบังกมาวิปัสสนายัณติส่งวิปัสสนาพุบังกมาสมุทยัณติสามสมุทตวิปัสสนายุกนัตถยัณติสี่ดัมมอุดเดชะนิคันติสัมมาหิตทัพุมาิบายดยภาษาเรายงที่นั้นสมุทตพุบังกมาวิปัสสนาคือคนที่ปฏิบัติบานคนมันแล้วแท้จริตนะ บานคนอาจจะสมริตนัยสามัตถ์ทีไรทั้มปฏิบัติแบบสามัทีไรทั้สมาธินสมาธิลบทาเลโกนังสมาธิอาจจะคืนถึงนิมิตเลรปอาพสมา च าสมาธิเลโกจานุงจานทรงจนสามจานสี่เลโกจิตใจสงบไปมากเลโกออกอากจางสอาจจะสัมผสีนรง มันคือว่าสมถติี่แรกลักวิปัสสนาสมัติปุบบังกมาวิปัสสนะลักรไปไปพระรหันเป็นพระอรหันลักรมันในโลกนี้ยังอยู่ชาริตแบบนีบานชาริตปฏิบัติธํรมสัร์สัมไรต์ไปแบบนีสมัตปุบบัง์มาวิปัสสนะลักบานคนยางที่สง เป็นวิปัสสนาปุบบังกามาสมุทธำวิปัสสนาโกนและวก็ธำสมุทธ์เทวะผมก็เคยไปประเทศเบอร์มาไปหาสถานที่ปฏิบัติธรรมมาเลเซียสิงคโปร์ผมจริงจริงผมยังไม่เคยเจอเทคนิคปฏิบัติธรรมแบบวิปัสสนาปุบบังกมาสมุทอาจจมันหายไปแล้วในส่งผลหารีทีพันมา ย่างที่มเป็นสมถวิปัสสนายุแนั่นมันคือสมถะนิดหน่อยแล้วก็วิปัสสนานิดหน่อยสมถะนิดหน่อยแล้วก็วิปัสสนานิดหน่อยยิ่งๆหกปีที่านมาเจ็ดปีที่านมากุปฏิปัตตมเวปไซลอมพุติยนพมร้สุกว่ายุนี้ันที่าสมถุิบังมาวิปัสสนา พวกเราเมื่อยกขึ้นานจังวัดจริงๆที่แรกจิตใจอยู่กับครืองเมือมันจิตสงบไปนิดหน่อยอาจจะประมาณหนึ่งวินาทีอาจจะประมาณครึ่งวินาทีจิตใจสงบใหม่มันจบแล้วจิตใจสงบไปอยู่แต่ว่าตื่นอยู่สติอยู่ความรู้สึกตัวอยู่มันแล้วกอารมณ์จิตอารมณ์ ดูคิดได้ดูอารมณได้สัมผัสอะไรก็มาจากสัญญาณมาจากจังแบบสัญญาณมาจากแบบเวทนามาดับแบบสังขารก็สัมผัสได้เพราะว่าทีแรกทีแรกสมัตอยู่ประมาณนึงวินาทีจิตใจอยู่กับเครื่องว้แล้วก็จบจบแล้วก็อีพัฒนานิดหน่อยอาจจะบานครั้งจิตใจวู่นวายไป อาจจะบานครั้งไม่ไม่ใจวุ่นวายมากแล้วก็อีกครั้งเครื่องวายอยู่อีกครั้งเครื่องวาอยู่จิตใจสงบไปอีกนิดหน่อยแล้วก็จบวิปัสสนานิดหน่อยจิตใจสงบไปนิดหน่อยวิปัสสนานิดหน่อยสมาธนิดหน่อยวิปัสสนานิดหน่อยมันคือว่าสมาธิวิปัสสนาอยู่กันอดเดจริงๆความคิดผมเห็นของผมสายลมพเทียนเป็น อย่างที่สามสมัคคีพัฒนายู่กนั่นเถอก็เราเราเลือกไม่ได้มันแล้วแต่ชีวิตอย่ากอย่างที่สีสมัยนี้ไม่มีดัมมอุดัชนิคันติสมาตมันมันมันอยู่ฉพะพระบุตเจ้าอย่างอยู่อ่ามันคือมัวพระบุตเจ้าเท็มัวพระบุตรเจ้าพูดดัมมาคงก ภาษาตทยคืออะไรก็ไม่รู้เป็นวาชีเป็นเป็นฟังแบบอฟังพระบุทธเจ้ามันคิดไม่ออกเลยค่ะทิดกับทิศกับเทศเลยมันแบบแล้วก็ไม่มีอะไรคิดมากอยู่กับเทศของพระบุทธเจ้าก็คิดใจสงบไปไม่มีอะไรวุ่นวายก็สมาธิขึ้นแล้วก็เมื่อสมาธิขึ้นมากพระบุทธเจ้าก็รู้จักความคิดของคนอื่น ละกรู้จักคำสับอะไรดีมุ่งคำสับอะไรพูดโก็เป็นบาลูดดัมไปเป็นป่าร้านไปกมันเป็นความสามารถของพระบุทธเจ้ากสมัยนี้อย่างที่สิทาไมได้ดัมบูดดัชนิกันติสมัยนี้ละก็สมัยนี้พวกราวโกไม่เคยโชกดีมากน้อมีเฉพาะสองอย่างอย่างที่หนึ่งสมาถะปุบบังกมาอิปัสสนาอย่างที่สอง สมุทวีพัฒนา yoga นั่นเถอก็เรา go จริงจิงเราไม่เคยโชคดีมากเพราะสมัยนี้ไม่มีครูบาอาจารย์มากรูจักความคิดขงคนอื่นความคิดกงลุกซิตคุณต้อไปแบบนี้คุณตนทําแบบนี้ปฏิบัติแบบนี้ก็พูดแบบนี้ไม่ได้เราต้องทาปฏิบัติเองแล้ะก็ตนรับประสบการณ์เอง แล้วแท้ชาริตกงเราอาจจะบานครั้งตุนจะความคิดผมเห็นประสบการณ์ผมแบบนี้ท่าเราลวกสายปฏิบัติตรรมปฏิบัติตรรมแบบหลายกุฎายเทคนิคกุฎายไมุ่้นเปลี่ยนบ่อยๆตนทนอยู่แบบปฏิบัติธรรมนั้นอาจจะประมาณสองปีกว่าสามปีกว่าและก็สัมผัสได้มันสมฤทธิ์ไหมไม่สมฤทธิ์ไหม ความดุกหน่อยลงไหมอลม์ทิศทิรายเวลายาวไหมหน่อยลงไหมก็สัมผัสได้ความโกรธคามราค้าหน่อยลงไหมก็สัมผัสได้ถ้ามันไม่สําเร็จก็เปลี่ยนปฏิบัติ ด, ดีกว่าเปลี <laughs> ่ยนอีกแบบเปลี่ยนอีกแบบทรงพีสามพี มัทั้ปััมพยายามแบบนี้อาจจะไลหไล่พีทีพานมาโกรสุขวาโอจาริกพมแบบนี้พมทำเลอกเลือกปฏิบัติแบบนี้มันไม่ใช่ความสำเร็จหาไม่ได้หนึ่งปีสปีหาไม่ได้อาจจะสิบปียีปีสาปีต้าัวคราวทั้ปฏิบัติทั้แบบเรียบร้อกบรลุแบบน ท่สาสัมมัตบาลุกดัมเรียวมันไม่มั น, ม น, มนแบบนั้นอยู่ในสมัยบุตรการนเนอะพวกเราก็ฟังแล้วเนอะก็ตัวนี้ตนี้ตัวนีตวนี้ตนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี้ตัว้ตัวนาวนี้รัวนี้ตัวนี้ตัวนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัว้วนี้ตัวนี้้นี้ เรื่องนี้มาอยู่ในสายพิจดชัว่วความคิดความคิดกงผมมองเห็นกงผมคนที่ปฏิบัติทีแรกไม่ลูเลืองโยับปฏิบัติตํรมนูโกมองดูได้ร่างกายง่ายกว่ า, อามองดูร่างกายใ่ายกว่าทีแรก อาจจครวงียก็ได้อาจจะอาณาปันสติ์กมีครวงไ่ยกุโอาณาพันสติยุทธนองพนองเดินชงคมสายลอมพเดียนไซโกอิงคาทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มปฏิบัติกับร่างกายเพราะชิดใจเรายังไม่ฝึกมากมองดูร่างคายง่ายกว่าเมื่อมองดูร่างกายประมาณซีพีฮาพี กูมือชิดใจทิดกับร่างกายกูเห็นได้โอ้ความคิดกูเห็นได้ความคิดที่แรกไม่เห็นมากคุณคิดว่าอะไรคนที่ไม่ปฏิบัติในสหรัฐอเมริกาก็ได้อฟริกาก็ได้ความคิดเห็นแบบเราได้ไหมน่าจะไม่ได้เนาะคนที่ปฏิบัติเห็นได้ความคิด อาจจะลายปิที่านมาลายปิที่านแล้วเห็นได้ความคิดแบบเห็นร่างกายโอเคทีแรกแล้วก็เห็นร่างกายและโก็เห็นความคิดแบบร่างกายแล้วก็อาจจะประมาณปฏิบัติอีกคราปิประมาณตัหมดประมาณสิบปีดูอารมณ์ชัดเจนได้มวนกันเรามองดูร่างกาย มวลกันเรามองดูจิตความคิดกิดไปเรื่อยๆกูเห็นได้อ้าอลุมณกูเห็นได้มองเห็นได้แบบร่างกายอาจจะประมาณปฏิบัติอีกหลายปีสิผาผีมวลกันเรามองเห็นร่างกายทีแรกมวลเกาเรามองเห็นจิตใจทีแรกมวลกันเรามองเห็นอลุม โกดูได้อาสวะอาสวะคืออะไรอาสวะคืออะไรที่เกิดคงคิเลศที่เกิดคงคิเลศมันคือยกตัวอย่างเป็นในวันเรามีสว่างมานแต่ว่าสวงมาจากที่ไหนมาจากปราทิตยนูต่ว่ทีแรกเราไม่เห็นปราทิตเห็นเฉพาะสวงสว่าง ตวาทามองดูพระอาทิตยกุมมงดูได้นกุมวันกันตอนนี้เราสัมปัสเฉพาะคิเลตไม่เคยสัมปัสดูไม่ได้ที่เกิดคุณิเลตที่เกิดคุณิเลตเป็นอาสวะ้าเรามองดูอาสวะอาจจะอาสวะกน้อยลงกุมวันกันทามองดูร่างคายประมาณหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมง อจบานคนเบาคืนไปแล้วก็ไม่มีอะไรสัมปัสในร่างกายมัวมองเห็นความคิดความคิดไม่ไปเรื่อยๆมันไปสันไปสันไปน้อยลงไปความคิดน้อยลงมัวมองเห็นอารมณ์อารมณ์ไม่ไปยะมากอารมณ์ก็น้อยลงน้อยลงมันเป็นวิธีน้อยลงอาสวะตามองเห็นชัดเชน อาสวะคงคามรากกอาสวะคงความโกรธอาสวะคงโมหะอาจารมงดูชัดเจนอาสวะน้อยลงน้อยลงน้อยลงคนที่มีอาสวะน้อยลงมากในภาษาบาลีคือว่าชีนอาสวะชีนแปลว่าอาสวะน้อยลงมากชีนแปลว่าน้อยลงอาสวะเพลาวะทีกัดคงกิเลต ทีกิคงคิเลศนอยลงมากแปลว่าชีนาสวะมันเป็นคำศัพท์อีกสำหรับปราหันและวกวิธีปฏิบัติวิธีวิธีวิธีสำหรับน้อยลงอาสวะน้อยลงคิเลศเป็นมงดูความมงดูสำหรับฝึกมงดูมีหลายปฏิบัติแบบหลายอย่างสภาวะใจลมพอตียน สำหรับการที่กงผมมันสำเร็จแล้วมากกุ่นแล้วแต่แล้วแต่คุณว่ถ้าเลือกปฏิบัติถ้าจบจบสันสารวัตแบบนี้ก็ตนปฏิบัติถ้าปฏิบัติแล้วต้อเลือกวฏิบัตงตัวเองจริงๆผมกออภัยว่าอาจจะมีลายอย่างในจิตใจสำหรับพูด แต่ว่ามันภาษาไทยยังไม่ชัดเจนก็เดยผมก็คิดว่าสักคนเสวเวลาตรงนี้นี่เป็นโอกาสดีมากสำหรับให้ให้บุญคนเราคนที่ช่วยชีวิเราคนที่ทำนาแล้ะก็ทวายข้าวคนที่ทำนาน เลโก้ทวายหานสำหรับชีวิตของเราสําหรับปฏิบัติธรรมลก้ตันงแต่ที่สีทานาในโรงครัวทานาหนักมากทำอาหารสําหรับพระเลโก้ทวายพระและก้มีโยมช่วยดูแลวัดสําหรับปฏิบัติธรรมของเราลก้พูดคราวโกตัวนี้ ท่นี้ชอบให้บุญทันหมดอยากปฏิบัติตามของเราถึงไปทุกๆคนแล้วก็ขอให้สําเร็จการปฏิบัติตามของคุณแล้วก็ขอให้สําเร็จการปฏิบัติตามคนอยากทุกคนทันหมดขอให้สําเร็จในชีวิตแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกาย แล้วก็ให้สุขภาพในจิตใจตัวเองครับสาธุอนุโมทนาครับ